กรเล่นพรนพวกเรายินดีด้วยนะยังรอดอยู่รอดจากน้ำท่วมมาได้หลวงพ่อไม่ได้มาเทศกรุงเทพสองเดือนประมาณนั้นคนกรุงเทพเลยไปอยู่ศรีราชาเนี่ยเยอะมากเลยเวลาชีวิตเราเกิดวิกฤต มันคือเวลาที่จะทดสอบว่าการปฏิบัติที่เราฝึกฝนอบรมมานั้นมันได้ผลแค่ไหนคนที่ไม่เคยฝึกอบรมจิตใจนะเวลาปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นสติแตกบางทีมีความทุกข์มากมายเหลือเกินความทุกข์ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ยังไม่พ อ, นะอแถมความทุกข์ทางใจเข้าไปด้วย ส่วนคนที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วมันมีความทุกข์แต่ทางร่างกายชีวิตความเป็นอยู่อะไรนี่ยทีมีเงินนะแต่กรรมจะให้ผลไ่ติดอยู่ในบ้านน้ำท่วมกินแต่มามา่ทาทั้งทั้งที่มีเงินไม่มีของจะกินน้ำจะกินก็ไม่ค่อยจะมี เวลากำให้ผลมันลำบากแต่มันลำบากเฉพาะร่างกายอย่างชีวิตก็าเป็นอยู่มันเปลีป่ยนแปลงคนกรุงเทพน่าสงสารจริงจริงคนอื่นก็น่าสงสารเหมือนกันคนชนบุรีก็น่าสงสารนะคนกรุงเทพไปแย่งข้าวกินซะเกือบหมดเลย <c oughs> ใครเจอปัญหาน้ำท่วมบ้าง ยกมือให้หลวงพ่อดูเสียงเยสอบตกหรือสอบได้เอา้าใครสอบได้ยกมือเสียงใครสอบตกเห็นไหมอย่างน้อยสอบได้เยอะกว่าสอบตกแสดงว่าคอร์สของเราใช้ได้คนสอบได้เยอะกว่าบางคนก็สงสัยอุตสาห์ทำความดีทำไมน้ำท่วมบ้าน บุญไม่ให้ผลเลยเหรอสาเข้าวัดทำบุญทำทานทำไมทรัพย์สินยังเสียหายทั้งที่ ท, ทำทานไมชีวิตลาบากธรรมะไม่ได้แปลว่าทำให้น้ำไม่ท่วมบ้านค็ละเรื่องกันถ้าบ้านเราอยู่ต่ำกว่าน้ำน้าก็ท่วมบ้านถึงจะมีบุญแค่ไหนก็ท่วมเหมือนเมื่อก่อนนไฟไหม้เมืองสุรินทร์ไหม้ซะมากเลยนะ ไม่มาถึงกำแพงวัดบูรพารามชาวบ้านไปประท้วงหลวงปู่เลยหลังจากไฟไหม้เสียแรงทำบุญมาตั้งนานไม่คุ้มครองเลยนะบุญไม่คุ้มครองธรรมะไม่คุ้มครองเลยคุ้มครองแต่วัดไม่คุ้มครองชาวบ้านหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไฟมันมีหน้าที่ไหม้ไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วไฟไม่ไหม้ อย่างแต่ว่าถ้าไฟไหม้ขึ้นมาเราไม่ทุกมันไหม้ได้แต่ของข้างนอกนะหรือไหม้ได้แต่ร่างกายในใจเราไม่ได้ถูกไฟไหม้ไปด้วยงั้นการที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมมาพัฒนาจิตใจเราเนี่ยก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้ใจเราเนั่นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะไฟจะไหม้น้ําจะท่วมลูกจะเป็นเอสดานจะติดยาอะไรอะไรก็เกิดได้เสมอเลย เราสามารถอยู่ได้ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความวุ่นวายโดยไม่ทุกข์ปัญหาก็อยู่ส่วนปัญหาแต่ใจมันไม่ทุกข์ใจมันไม่ไปหยิบเอาปัญหาเข้ามาใส่ตัวเองพวกเราสังเกตไหมเวลาน้ําท่วมตัวที่ทําให้ความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราไม่ใช่น้ําแต่เป็นความอยากน้ํามาแล้วอยากให้ไม่มาใช่ไหมอยากให้น้ําไม่มา ก็น้ำจะต้องมาจะให้น้ำไปไหนน้องสายก็กั้นน้องน้ำไม่ได้หรอกน้ำมันจะมาความอยากของเราไล่เดียงสาน้ำมาแล้วน้ำมันขังอยากให้น้ำไปเร็วๆที่เราต่าน้ำก็ไปช้าอย่างเงี้ยเรามีความอยากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เยอะๆเลยถ้าของที่มันเป็นไปตามใจเราต้องการเราก็ไม่มานั่งอยาก เราก็ไม่ต้องอยาก้ที่อยากเพราะมันไม่เป็นอย่าที่ต้องการนี่ความต้องการของเรามันไม่ยอมรับความจริงฝืนความจริงน้ําจะท่วมอยากให้ไม่ท่วมเราจะต้องแก่อยากให้ไม่แก่เราจะต้องเจ็บไข้อยากให้ไม่เจ็บไข้เราจะต้องตายอยากให้มันไม่ตายเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักเราไม่อยากพลัดพรากเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจ เราไม่อยากเจอใจที่ไม่อยากนี่ทำให้ใจดิ้นรนหาความสุขหาความสงบไม่ได้ถ้าใจเรายอมรับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจจะไม่ทุกข์อย่างยอมรับได้ว่าต้องแก่แก่ขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ยอมรับได้ว่าต้องเจ็บเจ็บขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ยอมรับว่าต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นครั้งเป็นกลาว ยอมรับได้ก็ไม่ทุกยอมรับไม่ได้ก็ทุกนี่ทำไงใจเราจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนเราสอนเราว่าทำยังไงเราจะยอมรับปรากฏการทั้งหลายทั้งปวงได้อย่าน้ำท่วมก็ไม่ทุกนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกถ้าใจยอมรับได้ใจไม่ดิน้นวิธีการ ที่จะฝึกจิตฝึกใจให้ยอมรับความจริงที่ต้องเผชิญไดนะ้ก็คือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะวิธีเรียนไม่จำเป็นต้องไปเรียนอะไรไกลตัวเรียนที่ง่ายๆเลยเรียนอยู่ที่ใจของเรานี่เองเราลองสังเกตดูสิในใจเรานะมีสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปอยู่ตลอดเวลานะ อะไรผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปบ้างมีความสุขมาและความสุขก็ไปความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปความเฉยเฉยมาความเฉยเฉยก็ไปเนี่ยสามสิ่งนี้หมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติกี่ปีกี่ชาตินะกี่พบกี่ชาติสามสิ่งนี้ก็ยังหมุนอยู่ในใจของเราเรื่อยไปเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบอกชอบใจเราก็มีความสุขแต่ความสุขมันไม่อยู่กับเรานานมันก็ไป เวลาเราเจอสิ่งซึ่งไม่ชอบ อ, อกชอบใจอย่างน้ำมาเราไม่ชอบนะใจเรามีความทุกข์ขึ้นมามันก็อยู่ชั่วคราวอย่างตอนนี้น้ำลงแล้วความทุกข์ก็ลดลงตามน้ำน้ำมาก็ทุกข์เยอะพวกที่มีประสบการณ์น้ำท่วมนึกออกไหมตอนไหนที่ทุกข์มากที่สุดตอนลุ้นว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมแล้วมันชอบมีข่าว ข่าวว่าจะท่วมแนละ้วทำให้คนเป็นโรคประสาทใส่ใจไหมตอนท่วมมันลำบากอยู่ช่วงเดียวรู้สึกไหมเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้คนกรุงเทพนะหลวงพ่อได้ข่าวว่าปรับตัวเก่งมากอันนี้ยกย่องเลยสามารถอือดลงกระโถนได้กันคล่องแคล่วนะทนสารภาพชำนี้ชำนานลอยกระทง มันทุกข์อยู่ช่วงเดียวทำไมน้ำท่วมไปพักหนึ่งแล้วทุกข์น้อยลงน้าก็ยังท่วมอยู่นะอดอยากก็ยังอดอยากอยู่ลำบากก็ยังลำบากอยูใ่ใจมันยอมรับได้มากขึ้นเราอยู่กับคนบางคนนะหลายอยู่เป็นนานๆก็ชินไม่ทุกข์มากถ้าใจเรามีความอยากมากความทุกข์ก็มากความอยากน้อยความทุกข์ก็น้อยนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลย แล้าใจจะหมดความอยากได้ถ้าใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวจะอยากมันทำไมที่เราอยากสารพัดอยากนะเราอยากได้ความสุขเราอยากหนีความทุกข์มีเท่านั้นแหละทำไมอยากจะเป็นสาวตลอดการเป็นหนุ่มตลอดการไม่อยากแก่รู้สึกแก่แล้วมันทุกข์นะลาบากไม่อยากเจ็บป่วยรู้สึกเจ็บป่วยมันทุกข์อยากจะมีความสุข ไม่อยากตายไม่อยากพลัดพากรู้สึกมันมีความทุกข์ไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะรู้สึกว่ามันมีความทุกข์งั้นสิ่งที่เราอยากเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกมันก็คืออยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์มีเท่านี้เองงั้นที่ดิ้นรนอยู่แทบเป็นแทบตายมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์นี่เรามาคอยสังเกตที่ใจเรามาดูของจริงในใจเรา ความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกขก็เป็นของชั่วคราวดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะความสุขเป็นไงพวกเราก็รู้จักความทุกข์เป็นไงพวกเราก็รู้จักแต่เราลาเลยที่จะรู้มันเราชอบไปหาของที่ทำความสุขมาให้โดยที่ไม่ดูว่าใจกำลังมีความสุขเราเที่ยวไปเกลียดสิ่งที่นำความทุกข์มาให้โดยไม่ยอมรู้ว่าใจกาลังมีความทุกข์ ทุกคนสามารถรู้จิตรู้ใจของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้มันไม่ยากที่จะรู้งั้นต่อไปนี้เราคอยมาหัดเรียนรู้อยู่ที่ใจเรานี่บ่อยๆความสุขเกิดขึ้นเราค่อยรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นเราค่อยรู้ทันดูมันไปเรื่อยๆความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามีความสุขไม่ต้องหาทางรักษาไว้เราไม่ว่าจะรักษาเต็มฝีมือแค่ไหนนะรักษาวิเศษวิโสแค่ไหน ไม่นานความสุขก็ไปถ้าความสุขเป็นของไม่เที่ยงความทุกข์เกิดขึ้นมาก็แค่รู้นะไม่ต้องไปเกลียดมันถึงเกลียดมันมันก็ไม่ไปความสุขมีเหตุความสุขก็เกิดความทุกข์มีเหตุความทุกข์ก็เกิดมีเหตุแลเกิดมาแล้วพอเหตุมันดับตัวมันก็ดับไปไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เราสั่งจิตไม่ได้ว่าจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้จงอย่าเกิดความทุกข์สั่งไม่ได้ เราไปเรียนรู้ความจริงที่จิตเรานี้เองว่าความสุขความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงความสุขเป็ความทุกข์เป็นของที่บังคับมันไม่ได้หรอกมันเกิดจากเหตุดับไปเพราะเหตุเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะวันแล้ววันเล่าลองดูไป7วันเจเดือนเจปีนะดูแล้วดูอีกแต่ดูด้วยใจที่เป็นกลาง ดูแลไม่เข้าไปแทรกแสงเนี้ยใช่ไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าจิตใจมีความสุขแล้วทํายังไงความสุขจะอยู่นานๆไม่ต้องทํานีดูความจริงเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยจิตเห็นความจริงเมื่อความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของโชวคราวเนี่ยดูแบบนี้เรื่อยๆนะแล้วชีวิตจะสบายขึ้นเยอะเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยนะถ้าเราเห็นว่าความสุขก็โชวคราวความทุกข์ก็โชคคราวเนี่ยปรากฏการทั้งหลายเกิดขึ้น เราจะไม่หวั่นไหวกับมันเพราะปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นอ่ะอันไหนที่เราชอบใจมันก็นำความสุขมาให้อันไหนที่เราไม่ชอบ น, นมันก็นำความทุกข์มาให้แต่ถ้าความสุขความทุกข์ทำร้ายจิตใจของเราไม่ได้แล้วปรากฏการณ์อะไรก็ได้เราจะไม่หวั่นไหวกับมันเราคอยรู้ทันจิตใจของตนเองบ่อยๆกรรมฐานไม่ได้ยากอะไรนะ ช่วงที่หลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี่นะหลวงพ่อก็ไม่ได้หยุดเทศหรอกทีงานต่างจังหวัดก็เยอะไปเทศต่างจังหวัดที่ไกลๆหลายแห่งไปแล้วก็พบว่าคนที่มาฟังเทศนะทั้งพระทั้งโยมนะเขาภาวนาพัฒนาขึ้นอย่างมากมายเลยผิดหูผิดตาบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะก็ฟังแต่ซีดีอ่านหนังสือฟังซีดีซีดีมากกว่าหนังสือ คนฟังซีดีเนีเยอะกว่าอ่านหนังสือหนังสือหลวงพ่อเขียนหนังสือมาที่อ่านยากไปเป็นวิชาการมากเป็นติดนิสัยอะไรก็เป็นวิชาการเวลาเทศน์เทศน์เป็นลูกทุ่งหน่อยฟังง่ายกว่าคนฟังซีดีนะปรากฏว่าเขาพอนับเป็นเนยเยอะเลยนะแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นได้ด้วยตัวเองเราเห็นได้ด้วยตัวเอง คนจนํเนวนมากเลยที่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันนะกุศลอกุศลกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันเขาแยกอย่างนี้ได้งั้นอย่างเวลาความสุขเกิดขึ้นเขารู้เลยความสุขเกิดขึ้นนะก็เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งผ่านเข้ามาจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านี่เขาดูเก่งนะ เบื้องต้นเราแยกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นแค่ว่าตอนนี้มีความสุขขึ้นมาก็รู้ตอนนี้มีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้เบื้องต้นเอาให้ได้แค่นี้ก่อนมีความสุขขึ้นมาก็รู้มีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้พอชำนิชำนาญขึ้นเราจะค่อยๆสังเกตเห็นนะความสุขไม่ใช่จิตหรอกความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตนะจิตเป็นคนไปรู้ความทุกข์เข้าอย่างนี้ค่อยแยกออกไปอีกนะ ฝึกไปฝึกไปมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์น้มันไม่ยอมจิตมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปจิตไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับมันจิตที่หลงยินดียินร้ายมันไหลเข้าไปเกาะไรเข้าไปรวมกับอารมณนะ์มีความสุขก็เข้าไปเกาะในความสุขนะมีความทุกข์ก็ไปเกาะอยู่กับความทุกข์ความสุขกับความทุกข์อันไหนเกาะเร็วกว่ากันความทุกข์เกาะเร็ว อะไรปล่อยได้ยากกว่ากันความสุขนะความสุขปล่อยยากนะยากกว่าความทุกข์ความทุกข์อยากปล่อยนะแต่ความสุขไม่อยากปล่อยอยากเอาไว้เนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยเลยนะจิตมันไหลหไปเกาะกับความสุขก็รู้ไหลหไปเกาะกับความทุกข์ก็รู้มันแยกออกมาก็รู้มันต่างคนต่างอยู่ไปนะต่อไปมันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์เป็นแค่สภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองมีเหตุก็เกิดขึ้น เหตุของความสุขก็คือจิตมันไปกระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลิพนพอใจจิตกระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลิพนพอใจนะก็ได้ความสุขจิตไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์อย่างบางคนภรรยาด่าทุกวันเลยตั้งแต่แต่งงานด่าทุกวันทุกวันเลยตีแรกก็ไม่พอใจนะอยู่ไปชินคล้ายๆอยู่กับน้ํำนานนะชินวันไหนภรรยาเงียบๆไปนะใจคอไม่สบายไม่รู้มันจะมาไม้ไหน เนื่อใจมันก็แปลกแปลกแต่เราเฝ้ารู้ลงไปนะเฝ้ารู้ลงไปที่ใจเห็นเลยความสุขความทุกข์ทั้งหลายมาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันก็ไม่ได้ดูอย่างนี้แหละถ้าดูได้แค่นี้นะแล้วรักษาศีลห้าไว้เป็นพื้นฐาน ศีลห้าจำเป็นนะต้องรักษ า, าไว้ก่อนมีศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้แล้วก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันความสุขมาจากไหนมาจากการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขความทุกข์มาจากไหนมาจากการกระทบอารมณ์เหมือนกันแต่เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจความทุกข์ก็มีขึ้นมานะงั้นทัดสะการกระทบอารมณ์แนละ้วเป็นตัดใจให้เกิดเมทนาหรือความสุขความทุกข์ขึ้นมาดูลองไปเรื่อยนะถ้าดูไม่ทันตัวนี้ตัญหามันจะเกิดพอ ม, มีความสุขเกิดขึ้นมันจะอยากให้อยู่นานมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเรารู้ไม่ทันนะก็อยากจะให้หายเร็วๆความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์มันจะซ้ําเติมเข้ามาในใจเราเมื่อนั้นเลย อย่างตาเรามองเห็นน้ำท่วมบ้านน้ำกำลังเข้ามาในบ้านนะตามองเห็นมีผัสสะนะเราตีความแนละ้วน้ำมาบ้านเราเนบ้านเราจะเสียหายนะเพราะเราตีความได้ยางนี้เราไม่ชอบนะไม่อยากให้น้ำมานะเพราะน้ำมานะี่ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากอยากให้น้ำแห้งเร็วๆนะีน้ำไม่แห้งเราก็โมโหเนี่ยใจจะยิ่งมีความทุกข์ซ้าซ้อนขึ้นอีก เพิ่มจากทุกทางร่างกายจากสภาพความเป็นอยู่มกลายเป็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาทุกทางใจนะนะทุกทางใจตัวตัณหานี่แหละเป็นตัวต้นต่อให้เกิดทุกทางใจยิ่งอยากมากยิ่งทุกข์มากเมื่อวานหลวงพ่อเทศที่วัดนะที่ส่วนสันติธรรมปีนี้หลวงพ่อส่งลูกศิษย์ไปสอบนักธรรมหลายองค์นะบางองค์ก็จีเนียสมากนะท่านระดับที่หนึ่งประเทศไทยมาแล้วอนะ ท่านไปสอบนะสอบเสร็จแล้วจอยเลยนะดูซึมเสื่องเศร้าโศกนะอีกองนะสดชื่นในะองนั่งถัดจากครูบาไปนะี่ยสดชื่นสอบเสร็จแล้วนะเราสังเกตดูโอคงน้นเรียนเก่งมากเลยนะเก่งจีเนียสมากเลยสอบเสร็จแล้วทำไมท่านทุกข์ว่าองนี้ท่านมีความสุของนี้ท่านดีใจที่ท่านผ่าน องนอนท่านเสียใจที่ไม่เต็มร้อยเห็นไหมดีกรีของความอยากนะทำให้ความทุกข์ไม่เหมือนกันนะอยากน้อยทุกน้อยเห็นไ้อยากแค่ผ่านได้เจ็ดสิบก็ผ่านนะพอได้เจ็สิบนะท่านสบายใจได้เจ็บเอดนะภูมิใจอะไรเงี้ยอีกองหนึ่งได้98้าบปดเสียใจโอ้ฉันข้าวไม่ลงเลยวันนี้ ครั้งเตรียมท่องนักทําเอกปีหน้าไว้ก่อนเห็นไหมความอยากนะทําให้ทุกข์นะแล้วตัวที่ผลักดันให้ใจอยากก็คือตัวเบทนาเนี่ยแหละเวลามีความสุขขึ้นมาก็อยากให้อยากได้อยากให้มันอยู่นานๆมันยังไม่มาก็อยากให้มามาแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆเวลามีความทุกข์นะก็อยากให้มันไปเร็วๆอยากให้มันไม่มา มีความอยากขึ้นมาใจก็หาความสุขความสบายไม่ได้นี่แค่สอบนักธรรมนะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรเลยแล้วเวลาประกาศผลเนี่ยเขาไม่บอกคะแนนด้วยซ้ำไปนะแต่รู้อยู่ในใจข้อนี้ตกไปนิดหนึ่งตกไปประโยคนึงเขียนตัวอักษรสลับกันตัวยอกับตัวรอกลับที่กันอะไรเงี้ยนะสางศกเสียใจได้ งั้นเรามาฝึกนะมาฝึกจิตใจของเราจนให้จิตมันอยอมรับความจริงได้เมืนะ่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันนะรู้อย่างเป็นกลางดูไปความสุขมาแล้วก็ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันความทุกข์มาแล้วก็ไปนะถ้าใจอยอมรับได้นะว่าสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปเหนะ็นแต่ความไม่เที่ยงนะใจจะคลายความอยากออก เรียกว่ามีวิราคะคลายความอยากออกนะการเดินปัญญาก็เดินกันแบบนี้แหละนะการเดินปัญญาเนี่ยให้เรารู้ลงไปในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายอย่างรูปธรรมนามธรรมง่ายๆที่หลวงพ่อแนะนำให้พวกเราดูวันนี้ก็คือตัวความสุขความทุกขนะ์นะั่นแหละความสุขความทุกข์มเป็นปนมามธรรมดูง่ายเพราะทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะแต่ไม่ยอมดูถ้าเราดูไปความสุขมาแล้วความสุขไปนี่เรียกว่าเห็น ความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสีนะอนิจจานุปัสสีเห็นว่ามันทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องหายความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องหายไปอันนี้เรียกว่าทุกขานุปัสสีเห็นว่าความสุขมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ความทุกข์มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นเลยไม่อยู่ในอานาจนะเห็นอนัตตา เรียก อ, อนัตตานุปัสสีเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยเรารู้ลงมาในรูปธรรมนามธรรมานะรูปธรรมนามธรรมตัวนามธรรมา ท, ที่ง่ายๆคือความสุขความทุกข์ในใจนี่แหละดูลงไปเราก็จะเห็นบางคนก็เห็นในมุมของความไม่เที่ยงบางคนก็เห็นในมุมของความทุกข์บางคนเห็นมุมของอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาหมายถึงว่ามีเหตุมันก็มี หมดเหตุมันก็หายไปมันไม่อยู่ในอำนาจของเรานะงั้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะไม่เป็นไปตามปรารถนาอะไรเนี่ยนะครอบครองไม่ได้ยึดถือไม่ได้จริงนะนเรียกว่านัตตาการที่เราคอยตามรู้ตามดูนะตามเห็นเห็นเนืองๆในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมาฐานแนะม้ตามดูไปเรื่อยนะความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันไม่ต้องไปดักไว้ก่อนให้ใช้วิธีตามรู้ตามเห็นคําว่าอนุปัสสนานแปลว่าตามเห็นเนื่องเนืงนะตามเห็นไม่ใช่คิดด้วยไม่ใช่ไปดักรู้ด้วย เอาแค่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขอย่าง น, นี้เรียกว่าอนุปัสสนานะรู้ว่ามีความทุกข์ขึ้นมาเรียกอนุปัสสนาตามเห็นเนืองๆไปพอเห็นไปเรื่อยเราก็จะเริ่มเห็นบางคนก็เห็นว่าเออความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสีบางคนเห็นว่าความสุขมันก็ทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์มันก็ทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกขานุปัสสี บางคนก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ความสุขเราสั่งมันไม่ได้ความทุกข์เราก็สั่งมันไม่ได้เรียกว่าเห็นในมุมของอนัตตานุปสีในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเวลาภาวนาจริงนะมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องเรียนทั้งสามมุมเพียงมุมใดมุมหนึ่งถ้าเห็นความจริงวิราคานุปสสีก็จะเกิดขึ้นแต่ก่อนจะเกิดวิราคาโนปสีคือครความยึดถือมันจะมีนิพพิทาเกิดขึ้นก่อน เรียกว่ามีนิพพิทานุปัสสีนะตามเห็นความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างพอเราเห็นว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปนะใจมันจะไม่หลงระเริงหลงยินดีในความสุขความทุกข์ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายในความสุขความทุกข์นะมันจะรู้สึกว่าความสุขก็น่าเบื่อความทุกข์ก็นาเบื่อทําไมมันน่าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยง ก็มันบังคับไม่ได้มันครอบครองไม่ได้จริงอย่างความสุขนั้นน่าเบื่อพวกเราตอนนี้ใครภาวนาจะเห็นว่าความสุขไร้สาระบ้างมีไหมยกมือสิมีบ้างไหมมีไหมเราก็หลายคนอยู่นะแต่ต้องดูอีกทีว่ามันไร้สาระเพราะอะไรไร้เพราะสาระเพราะมีปัญญาเห็นว่ามันเกิดแล้วดับไปมันบังคับไม่ได้หรือไร้สาระเพราะว่ามันไม่ไม่ได้อย่างใจมันมีโทสะนะ บางทีมันเป็นโทสะมันเบื่อลำคาญขึ้นมาเนี่ยเราครยดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจไปเรื่อยนะเห็นมันมาแล้วไปมาแล้วก็ไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งใจของเราจะเบื่อในความสุขความทุกข์เนี่ยพอๆกันนะเรียกเบื่อไหนด้วยปัญญาอันยิ่งการที่เบื่อด้วยปัญญาเรียกว่ามีนิพพิทานะไม่ใช่โทสะโทสะเนี่ยเบื่ออันหนึ่งจะอยากได้อีกอันหนึ่งเช่นเบื่อความทุกข์อยากได้ความสุข นะอย่างนี้เรีว่าโทสะถ้าเป็นนิพพานกะ็จะเห็นเลยความสุขก็หน้าเบื่อเพราะว่ามันไม่เที่ยงความทุกข์ก็หน้าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงใจที่มันมีนิพพาเนี่ยมันจะคลายความยึดถือนะอย่างถ้าเราเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นของหน้าเบื่อหน่านยะหาสาระแก่นสารไม่ได้ใจจะคลายความยึดถือผูกพันในความสุขความทุกขนะ์เรียกว่าวิราคาโนปสนะีจะตามเห็นความคลายออก ใจมันจะดูทุกอย่างด้วยการที่ใจมันคลายออกไม่ค่อยไปยึดถือแล้วมันจะเห็นความดับไปนะของความทุกข์มันก็ดับไปเรืเ่อยๆดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตจะสลัดคืนสลัดคืนอะไรสลัดชืนขันนั่นเองเช่นถ้าเราเห็นความจริงนะว่าความสุขความทุกข์เป็นของหาสาระไม่ได้นะจิตสลัดคืนขันให้โลกความสุขจะมาหรือความสุขจะไปนะจิตไม่มีความยินดียินร้ายด้วยเลย ถือเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของสภาวะทำไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเนี่ยฝึกไปนะถ้าฝึกไปเรื่อยเรเริ่มต้นอาจจะฝึกจากเวทนาขันทางใจความสุขความทุกข์ในใจเกิดแล้วรู้นี่แหละฝึกไปเรื่อยต่อไปแนละ้วขันอื่นอื่นมันก็ ค, ค่อยๆวางไปเองขันสุดท้ายที่จิตจะวางได้ก็คือตัววิญญาณขันตัวจิตนั่นแหละวิญญาณขันก็คือการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันจะเห็นเลยว่าจิต ท, ที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงนะเป็นของบังคับไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเดียวกับที่เห็นเวทนานั่นแหละนะแล้วก็ใจมันจะคลายความยินดียินร้ายในจิตออกนะมันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสุดท้ายมันจะมีปัญญาจแจม่มแจง้งจิตนี้เป็นตัวถูกข์ล้วนๆนะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ ทุกพระบังคับไม่ได้จิตก็สลัดคืนจิตให้โลกการภาวนาจนถึงขั้นที่จิตสลัดขันคืนให้โลกนี่เป็นธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยเป็นอัศจรรย์เป็นธรรมะที่ความวัตจักรความวัตสงสารลงไปต่อหน้าต่อตาเราเป็นของแปลกนึกไม่ถึงหรอกอย่างเวลาที่พวกเราหัดภาวนาอย่างนี้เราเริ่มดูออกไหมบางครั้งจิตก็เข้าไปจับอารมณ์ใช่ไหม จับอารมณ์พอจิตเข้าไปเกาะ อ, อารมณ์แล้วเนี่ยปล่อยง่ายไหมปล่อยไม่ง่ายใช่ไหมนี่เราฝึกไปเรื่อยนะต่อไปมันเห็นในอารมณ์นี้ไร้สาระอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอะไรเงี้ยควเห็นไร้สาระเนะี่ยจิตมันปล่อยอารมณ์นะมันมายึดตัวมันเองขนาดปล่อยอารมณ์ยังยากเลยถ้าปล่อยตัวมันเองจะยากขนาดไหนนะมันปล่อยกายได้ก่อนนะปล่อยกายได้ก่อนแนละ้วมันมาปล่อยจิตได้ที่หลังเพราะกายเนี่ยมันดู ง, ง่าย มนเห็นว่าความแปลบปลวนเกิดขึ้นง่ายมีความทุกข์บีบคั้นเนี่ยดูง่ายแต่จิตใจเป็นของประณีตเป็นของละเอียดดูยากงั้นถ้าเราอยากเรียนภาวนานะให้รัดสั้นคือพวกเราถ้าคนไหนดูจิตดูใจได้นะดูเข้ามาที่จิตเลยนะดูเข้ามาที่จิตเลยแต่ถ้าดูจิตดูใจไม่ได้ไปดูที่กายก่อนจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายกายเหมือนตัวบ้านนะ ถ้าเรายังดูเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอไปเฝ้าหน้าบ้านเหมือนไว้เดี๋ยวปันนึงก็จะเห็นเจ้าของบ้านงั้นถ้าเราดูจิตได้ดูจิตไปเลยเพราะอะไรเพราะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนิพพานประจักษ์ด้วยจิตนิพพานไม่เกิดนะเวลาใช้คํำต้องใช้คําให้ถูกนะอกุศลเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตอันนี้ยจริงนะมรรคผลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตแล้วมรรคผลดับไหม มรรคผลเป็นโลกุตระนะดับไหมดับโลกุตระบางอย่างดับนะคือตัวมรรคผลนะดับตัวนิพพานนะห่งไม่ดับทําไมนิพพานไม่ดับเพราะนิพพานไม่เกิดนะมีตัวเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับนะถ้าโสดาบันนีท่านจะเห็นนะสภาวะทั้งหลายขันทั้งหลายมีแต่เกิดเราดับนะท่านแจมแจ้งตรงนี้พระอรหันตนะ์ท่านเห็นสิ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับแจมแจ้งนี่เรามาฝึกมาคอยรู้คอยดูนะ เกิดดับอันแรกที่ดูง่ายๆที่สุดนั้นดูความสุขความทุกข์ในใจนี่แหละดูไปค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ไปได้รู้อันนี้นะขันอื่นๆก็รู้ง่ายนะก็รู้วิธีเดียวกันนั่นแหละพอรู้ไปเรื่อยๆต่อไปใจก็จะคลายความยึดถือในขันออกจะปล่อยร่างกายก่อนนะปล่อยรูปก่อนเพราะรูปนี้มันแปรปรวนง่ายแก่ชราคล้ำคล้าให้ดูง่ายเห็นง่ายเจ็บป่วยให้ดูเห็นง่ายลาบากให้ดูเห็นง่ายนะ แต่จิตนี้ดูยากจิตยิ่งฝึกยิ่งมีความสุขแล้วยิ่งมีความสุขก็เลยติดมันปล่อยไม่ได้งั้นการภาวนาเนี่ยนะถ้าถึงขั้นสุดท้ายจะต้องปล่อยวางจิตให้ได้แต่อย่ารีบปล่อยถ้าอยู่ๆก็นึกภาวนาขึ้นมาก็จะปล่อยวางจิตเลยจะบ้านะสติแตกงั้นการภาวนามันก็ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นจากโคนมันไปก่อนนะมีศีล มีศีลมีสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตมาเจริญปัญญาดูรูปดูนามดูกายดูใจถนัดดูกายก็ดูกายไปเห็นกายเกิดดับไปถนัดดูเวทนาก็เห็นเวทนาเกิดดับไปถนัดดูสังขารความเป็นกุศลปรุงดีปรุงชั่วอะไรนั้นก็ดูไปเห็นมันเกิดดับไปถนัดดูจิตก็เห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอะไรก็ได้ฝึกไปแล้วแต่ชํานาญนะ สุดท้ายมันจะค่อยๆวางขันอื่นๆไปแต่พวกเราทำสมาธิทำอะไรก็ไม่ชำนิชำนาญ น, นะดดูที่จิตที่ใจเราดูง่ายดูกายดูยากนะกายถ้าไม่ทรงสมาธิจริงๆดูไม่เห็นที่หลวงพ่อพูดคาว่าแยกธาตุแยกขันนะมีความหมายนะแยกธาตุเป็นยังไงแยกธาตุคือร่างกายนียถ้าสมาธิเราพอจะแยกออกมาได้คนระับ ร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนีม่แยกธาตุนะแยกขันจิตเป็นนามธรรมทั้งหลายก็แยกได้สี่เหมือนกันทางรูปธรรมก็แยกได้สี่ดินน้ำไฟลมนมามธรรมก็แยกได้สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกค่อยฝึกค่อยดูค่อยแยกไปสุดท้ายหเห็นนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างหาสาระไม่ได้แต่ไม่ต้องเรียนทีเดียวทุกอย่าง เบื้อต้นเอาอันเดียวก่อนดูความสุขความทุกข์ในใจนะั่นแหละง่ายๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วไม่ซับซ้อนดูรูปนะั้นซับซ้อนมากเลยนะกว่าจะทะลุสมมุติบัญญัติของรูปเข้าไปเห็นรูปตัวจริงนะียากอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่รูปนะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่รูปนะเป็นสมมุติบัญญัติอะไรเป็นรูปที่แท้จริงในเส้นผมก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนะั่นะรูปที่แท้จริงนะซึ่งดูยาก ใครจะไปเห็นไฟในเส้นผมเห็นไหมมองเห็นไฟในเส้นผมหรือไฟอยู่ในน้ำลายดูลำบากมีลมอยู่ในกระดูกอเงี้ยดูยากนะแต่ดูนำมาทำของธรรมดาธรรมดาดูง่ายสุขทุกข์ดีชั่วอะไรหมุนอยู่ในใจใครรู้ไปได้ไม่ยากหรอกจริงๆธรรมะไม่ยากนะไม่ยากไม่ง่ายวันนี้เทศง่ายๆอย่างนี้ไหวไหม ง่ายไปไหมต้องถามก่อนนะตามใจคนฟังด้วยนะถ้าง่ายไปจะได้เทศเวอร์ชันที่ยากกว่านี้ไปเทศบางที่ก็ถามยากไปไหมถ้ายากไปก็ต้องเปลี่ยนให้ง่ายกว่านี้เวลาแสดงธรรมคนฟังที่หลากหลายนะเทศยากเทศยากแต่ละคนเหมือนนักเรียนคนละชั้นมานั่งอยู่ด้วยกันฟังลำบากหลวงพ่อก็เลยเทศง่ายๆ ไ, ง ไ, งไว้ก่อน เวลา ย, ยากๆนี่จะเทศอยู่ที่ส่วนสันที่ทำแนละ้วค่อนข้างจะยากหน่อยแล้คนฟังนะี่ฟังแล้วฟังอีกแล้วพวกเราบางคนไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยนะฟังแล้วงงเพราะวันนี้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องความจริงสิ่งที่หลวงพ่อเทศนะบางคนไปว่าเลยนะว่าเทศไม่เหมือนครูบาอาจารย์ไม่เหมือนหรอกแต่เหมือนที่พระพุทธเจ้าเทศลองไปดูพระไตรปิฎกดูนะ ดูพระไตปิดกอ่านยากมันเยอะไปลองไปดูในหลักสูตร น, นักทําเอกแบบเดียวกันเลยละนะมีอยู่แล้วแต่เราลาเลยไม่ค่อยเรียนกันเราชอบไปเรียนอะไรที่มันอ้อมๆไปนะงั้นเรามารู้รูปรู้นามไปนะของง่ายๆรูปนามที่ง่ายๆที่สุดแล้วคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในใจเราดูให้เห็นไม่เที่ยงวันนึ้นก็ปล่อย พอเริ่มปล่อยเป็นนะปล่อยได้เป็นคลาวคลาก่อนนะต่อมาก็ปล่อยถาวรปล่อยเป็นคลาวคาวแล้วก็อัานสจรัรย์จัดแย่อยู่แล้วนะปล่อยถาวรนี่ตลาดหนักเข้าไปอีกนะไม่ต้องรักษาจิตแปลกไม่ต้องรักษาจิตไม่ต้องรักษาศีล น, นะแต่มีศีลไม่ต้องทำสมาธินะแต่มีสมาธิไม่ได้เดินปัญญาแต่เข้าใจโลก ง า, งานทางธรรมนะถึงวันหนึ่งมีที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดไหมปีนี้น้ำท่วมใช่ไหมปีหน้าจะท่วมหรือเปล่าไม่รู้ก็เตรียมไว้ก่อนเตรียมงานถึงเวลาก็ไปซื้อกระสอบทรายมาเตรียมไว้ต้องรีบซื้อก่อนจะได้ถูกๆอะไรเงยซื้อละน้ําไม่มาทําไงดีล่ะเลี้ยงกระบองเพชรสิ <S <S <S แต่เลี้ยงไม่ได้กรุงเทพไม่ค่อยมีแดดมืดๆกรุงเทพ เท่านี้ก็พอแล้วนะเท่านี้ก็มากแล้วละ่ะคือถ้าเราทำได้จริงๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนะชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างฉับพลันไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยทุกวันนี้หลงโลกบ้าอยู่กับโลกกนะ็หลงสุขรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละถ้าเห็นสุขกับทุกข์ก็ไรสาระพอๆกันใจก็หมดแรงดิน้น ใจที่ไม่ดิน้นมีความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งลองดูนะลองดูไปทำเอาไปขานนัำมการค่ะหลวงพ่ อ, อจะรายงานการปฏิบัตินะคะทุกวันนี้ก็คือว่ามีวินัยในการทำในรูปแบบมากขึ้นนะคะก็มีสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิะคะ่ะแต่ว่า มันสมาธิมันไม่ถึงภาวะที่เป็นสมาธิจริงๆอะค่ะออย่างมากมันก็มีปิติบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันจริงๆแล้วตรงนี้มันเพียงพอหรือเปล่าคะหรือว่าไม่พอยังไม่พอนะจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยภาวนามไม่ได้ดีหรอกเวลาเราดูกายดูใจดูท่าดูขันเราโดยเฉพาะการดูจิตใจนะถ้าจิตเรายังกระเพื่อมกระเพื่มอยู่ดูยากนะ เหมือนดูของที่อยู่ก้นโอ่งน้ําก้นตุ่มน้ำนํำน้ํากระเพื่อมดูยากให้เราต้ฝึกให้จิตใจสงบพอสมควรและฝึกให้จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้อย่าให้ใจวอกแวกไปธรรมชาติของใจนั้นมันวอกแวกตลอดเวลาและห้ามมันไม่ได้เพราะมันเคยสุกสนใสใสหาอารมณ์ไปเรื่อยๆเราต้องมาฝึกฝนมัน ฝึกมันโดยการหาอารมณ์นะที่ที่ถูกออกถูกใจมันที่นำความสุขมาให้แล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเอาอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขนะีมาเป็นเหยื่อล่อให้จิตรู้อย่างคนไหนชอบพุทโธเราก็พุทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ไปรู้ลมหายใจหายใจแล้วก็รู้ทันจิตพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตต้องจับหลักให้แม่นนะ ไม่ใช่หายใจเพื่อจะให้จิตสงบไม่ใช่หายใจพุทโธไปเพื่อจะให้จิตนิ่งนิ่งถ้ามุ่งไปให้จิตสงบมุ่งไปให้จิตนิ่งเนี่ยทำด้วยความโลภจิตไม่สงบง่ายหรอกแต่ถ้าเราหายใจไปพุทโธไปแล้วหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตจิตหนี้เรารู้จิตนี้เรารู้มันจะสงบเองสงบเร็วด้วยนะจิตใจู่สงบแล้วพอสมควรแล้วเราค่อยๆสังเกตต่อมาฝึกให้จิตตั้งมั่น เห็นในร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายกับจิตเป็นโคล่านกันนะจิตมันจะแยกออกมาจากขันมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้หลุดออกจากโลกของความคิดได้งั้นถ้าใจอย่างฟุ้งอยู่นะพุโทโธไปเรื่อยๆชอบพุโทโธไหมถ้าไม่ชอบเอาอันอื่นถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธแต่ไม่ใช่พุโทโธเพื่อสงบ นะพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันพุทโธแล้วจิตซึมลงไปรู้ทันตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นนิวรจิตที่ซึมซมก็เป็นนิวรนะจิตที่แหมมันเครียดเครียดแข็งแข็งมันไม่พออกพอใจนะไม่พอใจในความฟุ้งซ่านนะมันก็มีนิวรมีความไม่พอใจพยาบาทนะหรือว่ามันเที่ยว พุโทโธไปแล้วมันจะสงสัยเอ้พุโทโธไปทําไมนะรู้ทันว่าใจสงสัยอยู่ตัวความสงสัยตัวอะไรนะั้นมันก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตไม่สงบถ้าเราพุโทโธไปแล้วพอจิตมีนิวรณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะนิวรณ์จะดับอัตโนมัติมันดับเองเราไม่ต้องดับมันถ้าเมื่อไหร่นิวรณ์ดับสมาธิเกิดเมื่อนั้นรวัตรูของสมาธิก็คือนิวรณ์นั่นเองนี่วิธีจัดการนิวรณ์นะไม่ใช่ไปไล่มัน ไม่มีใครไล่นิวร์ได้เพราะนิวรณเป็นอนัตตาสิ่งที่จัดการนิวร์ได้นะคือตัวสตินั่นเองสติเราก็สั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาแต่เรามาฝึกนะพุทโธพุทโธไปจินีแล้รู้ทันการที่รู้ทันบ่อยๆจะทำให้มีสติขึ้นมาเมื่อมีสติขึ้นมาเนี่ยถ้านิวรเกิดแล้วสติระลึกปั๊บเนี่ยนิวรณจะกระเด็นหายเลยเพราะมันแพ้ทางกันจิเลตมันแพ้สตินะ สติแพ้อะไรรู้ไหมสติแพ้อะไรแพ้ขี้เกียจพอขี้เกียจนะก็ไม่ยอมหัดดูสภาวะไม่ดูสภาวะก็จําสภาวะไม่แม่นจําสภาวะไม่แม่นสติก็ไม่เกิดนะอย่าขี้เกียจนะต้องดูเรื่อยๆหลวงพ่อไม่ใช่คนพอนาเก่งนะแต่หลวงพ่อทนเป็นคนที่ทนมากเลยอนะัน ตั้งแต่เล็กครูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอยู่ได้22่สิบสองปีทำอยู่งั้นนะ่ะเจริญปัญญาไม่เป็ น, น, นก็ทำไม่เลิกหรอกมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้อ่านจิตตนเองท่านใช้คาว่าอ่านเลยนะคาว่าอ่านก็คือมันเป็นยังไงให้เรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปพอนะท่านสั่งให้อ่านจิตตนเองอ่านทุกวันไม่เลิกเลยเนะี่ยไม่ขี้เกียจ งันตัวขี้เกียจเนี่ยเป็นตัวแสลงที่สุดเลยสําหรับนักปฏิบัติเนะีอย่าขี้เกียจนะโง่ไม่เป็นไรอย่าขี้เกียจแต่โง่เกาห้ามอย่างหนึ่งนะห้ามขยันรู้จักนักโปเลียนไหมนโปเลียนนะกําหนดไว้เลยว่าคนมันมีหลายจำพวกมนพวกฉลาดนะแต่ขี้เกียจนะเอาไปเป็นเสนาธิการ ฉลาดด้วยขยันด้วยนะเอาไปเป็นแม่ทัพนะขี้เกียจแล้วโง่เอาไปเป็นพลทหารใช้แรงโง่แล้วขยันเอาไปยิงเป้าพวกนี้ก่อเรื่องโง่เวลาโง่แล้วขยันเป็นไงภาวนาผิดนะขยันภาวนามากเลยทําผิดๆเนี่ยเช่นโศ ก, กจิตออกนอกไปเห็นอะไรต่ออะไรนะโอ้ยขยันดูทั้งวันเลยไม่เลิกเลยไม่ดูแต่กิเลสตัวเองเยอย่างเนี้ย ไม่ควรขยันแต่ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติแล้วนะรู้ถูกหลักแล้วต้องขยันนะฝึกทุกวันทุกวันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเดิมกับตัวไม่ยากอะไรหรอกจับจับนิดนึงนะคระพอดีอย่างสมมุติว่าเราใช้คําบริกรรมคํานึงแล้วก็เราเผลอไปหรือว่าคําบริกรรมมันหายไปแล้วทีนี้จิตมันนึกคําอื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคือฟุ้งซ่านไปนใช่ไหม เราก็รู้ทันเราพุโทโธพุโทโธอยู่แล้วกลายเป็นมาม่ามาม่าอะไรอย่างนี้นะเอรู้ทานให้ฟุ้งไปละหลงไปละเคล็ดลับในการทําสมถะนะอย่าจับจดในอารมณ์ต่างๆถ้าเลือกอารมณ์นี้พอเหมาะพอควรกับเราแล้วนะทําเรื่อยไปสงบก็ทําไม่สงบก็ทำํำถ้าเปลี่ยนรายวันเนี่ยไม่ได้กินหรอกชาวพุโทโธ บ่ายพองยุบกลางคืนขยับมือไม่ได้กินสักอันนะเพราะอะไรเพราะจิตที่ฟุ้งซ่านก็คือจิตที่เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆแทนที่เราจะมาน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วสงบลงมากลับไปตามใจมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆก็ฟุ้งไปกับมันเองอ๋อกลับนวัตสการครับหลวงพ่อครั้งที่แล้วผมขอส่งกันบ้านสามข้อนะครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อ อบอกว่าให้ผมไป อ, อย่าไปเพ่งจิตผู้รห์นะครับตอนแรผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหลวงพ่อแนะนำอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ไปเดินเดินจงกรมนะฮะแล้วก็เห็นว่ากายเดินอยู่นะแล้วก็มีเหมือนกับมีตัวรู้อีกตัวไปดูว่ากําลังมีรู้นะฮะ ร, รู้ ร, รู้รู้ซ้อนรู้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะครับที่ข้อที่สองก็ เดินจงกลมอีกเหมือนกันนะฮะเอาทีละข้อนะครับผมถ้าเราจงใจไปดูตัวจิตจงใจไปดูตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ซอนรู้ไปเรื่อยๆเป็นสมถะนะเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาอ่ะต่อไปครับข้อที่สองกับผมก็เดินจงกลมอีกเหมือนกันครับแล้วก็ พอเดินไปมันก็ฟ so ุ้งแล้วก็รูฟุ้งแล้วก็รูนะนนั้นก็เหมือนกับมีโทสะเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราไม่ยอมสงบนะฮะนี่ก็เลยหายใจให้มันแับแรงๆนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็หลบอีกนะฮะแล้วพอสุดทางจงกลมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่เราเราทําไปเนี่ยนะมันมันเหมือนกับมันบังคับไม่ได้อมันเป็นอัตตานี่นะคือคิดนำมันนะฮะเข้าใจว่างนั้นนะฮะคิดนําว่าเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็เราพยายามจะให้มันสงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็รูเนี่ยนะมันก็ ก็เป็นเหมือนก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอัตตาดันั้นก็คิดต่อนะครับทั้งพราะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าอารมณ์ที่เรารู้เนี่ยก็คืออารมณ์ฟุ้งกับอารมณ์สงบเนี่ยมันก็เป็นอ น, นิจจังสินะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจิตมันก็นิ่งไปเลยครับแล้ ว, วลผมก็เเราพิจารณานะช่วยมันพิจารณามันได้ความสงบนะได้สมถะก็ถูกแล้วละ่ะการช่วยมันคิดพิจารณาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอะไรเงี้ยพิจารณาถูกที่มัอนครานั้นได้สงบ ถ้าทำวิปัสสนาก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นดูมันไปเดินไปใช่ไหมฟุ้งซ่านไม่ได้เจตนาจะฟุง้งฟุ้งได้เองเห็นแรกจิตเป็นคนไปรู้ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ยังไม่ใช่จิตด้วยซ้ําไปนะแล้วมันเกิดขึ้นได้เองเราบังคับมันไม่ได้อย่างเนี้ยเดินปัญญาอยู่แต่ว่าพอความฟุ้งซ่านเกิดใจมันไม่ชอบโทสะแทรกเข้ามาเราก็รู้ทันเลยเออโทสะก็เป็นสภาวะธรรมอีกอันหนึ่ง แต่เดิมไม่มีตอนนี้มีนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงนะแรกแร ก, ก็ช่วยมันคิดก่อนก็ได้แต่ต่อไปไม่ต้องคิดมันจะเห็นไตรลักษณ์ของมันเองช่วยมันคิดจะได้ความสงบถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะได้ปัญญาครับข้อที่สามครับก็คื อ, อ, อช่วงหลังๆเนี่ยนะผมรู้สึกถึงความเป็นมีมานะอัตตาของตัวเอง มันเหมือนกับบังคับให้เราทำนู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งผมรึกเมื่อก่อนก็ <c oughs> มี <c oughs> แต่ไม่เคยเห็นนะตอนนี้เราเห็นแล้วรู้สึกไหมกิเลสตัวนี้น่ากเกลียดพอเราเห็นตัวมานาตานะเรารู้เลยน่ากเกลียดมากแต่เดิมเราเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นนะเนี่ยเป็นพัฒนาการเมื่อเราเห็นได้ต่อไปนะเราก็จะดีงามขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่แฝงเรนอยู่เบื้องหลังการชิดการพูดการทานะ คือกูทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยกะทั้งเข้าวัดกะทั่งฟังหลวงพ่อประโมทเทศนี่อยากขอคำแนะนำหลวงพ่อครับว่าจะปฏิบัติต่อไปนะครับท่านจะทยังไงของคุณปัญญาแก่กล้านะต้องระวังปัญญามันล้ำหน้านะระวังตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยไม่รีบร้อนค่อยดูไปตามลำดับไปสบายสบาย งั้นใจมันจะรีบสรุปคือความคิดของเราไปรีบสรุปซะก่อนที่จิตจะเข้าใจนะการภาวนาเนี่ยต้องให้จิตเข้าใจจิตถึงจะล้างกิเลสถ้าเรารีบสรุปซะก่อนนะจิตจะไม่เดินปัญญาต่อแล้วนะของคุณเนี่ยจิตมันรีบสรุปไตรลักษณ์เร็วไม่ใช่จิตอนะสมองมันรีบสรุปไตรลักษณ์เร็วเกินไปนะก่อนที่จิตจะเห็นนึกออกไหม นั่นเป็นจุดอ่อนนะปกติที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วนะไม่ได้เปเพ่งตัวผู้รู้ล้ค่ะกล่าวณัฎการค่ะหลวงพ่อดีตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ก็จะเวลาทํานั่งสมาธิก็จะอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะคอยดูจิตที่มันวิ่งไปแต่จะรู้สึกฟุ้งซ่านมากทีก็จะเหมือนกับบังคับให้มันอยู่ตรงท้องนิดนึงนะค่ะแล้วมันก็จะเห็นใจบ้างเวลามีความสุขขึ้นมามันก็จะ คอรู้สึกตามเหมือนกับพอหมดลมหายใจมันก็จะกลับมาดูใจแต่บางทีมันก็รู้สึกเป็นการบังคับบ้างนะคะแล้วก็บางทีถ้าถ้ารู้สึกว่าใจฟุ้งมากก็มาดูพุทโธมันจะเห็นเหมือนพุทโธลอยออกมานิดนึงทีฝึกถูกแล้วเห็น <He d S 1> ไหมบางทีจิตมันก็มีความสุขปุดขึ้นมาดีฝึกไปเรื่อยนี่พอดีจะไปภาวนาสีห้าวันน่ะนะคะเลยไม่แน่ใจว่าทําตามที่ทําอยู่มีอะไรจะต้องปรับหรือมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้สม่ําเสมอไปนะ แต่ว่าถ้าดูไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาทำความสงบอย่าทิ้งนะค่ ะ, นะคะขอบคุณค่ะทุกวันต้องแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยทำสมาธิเดินจงกรมทำสม่าเสมอจิตจะมีพลังค่ะขอบคุณค่ะภานาดีรู้สึกไหมมันมีความสุขนะความสุขมันผุดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วมันก็หายไปนะไม่มีอะไรที่บังคับได้ เห็นไหมขันแต่ละขันแยกออกจยกกันออดีนมัสการค่ะหลวงพ่อคือในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีปัญหาสุขภาพมากกัยนะคะก็เดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บมันนะคะก็เลยใช้วิธีการรู้เท่าที่รู้ได้แต่รู้สึกว่าตัวเองฟุ้งมากกว่าที่เคยปฏิบัติมานะคะก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยค่ะแต่เดิ ม, ะคะมเคยปฏิบัติอะไรล่ะกะ็ก่อนที่จะไม่สบายนะคะก็ใช้เดินเอานะคะ แล้วก็คือนั่งสมาธิได้ไม่นาน<ม>ก็จะชอบเดินมากกว่า<ม>แต่ตอนนี้เดินแล้วมันเจ็บนะคะ่ะ<ม>ก็เลยใช้วิธีการรู้เท่าที่จะรู้ได้นะคะคือถ้าถ้าเดินไม่ได้ก็นั่งนะถ้านั่งก็ยังไม่ไหวก็นอนนอนส่วนใหญ่หลับนะคะนอนกระดุกกระดิกถ้านั่งอยู่ก็นั่งเคลื่อนไหวนะเคลื่อนมากแล้วเมื่อยเคลื่อนนิดหน่อยนะกระดุกกระดิก แ, แทนการเดิน หลวงพ่อเมื่อกันเดินจงกรมนะเดินแล้วเมื่อยมากเลยน้ำหนักเราเยอะหลวงพ่อเดินเดินจงกรมนะเดินอยู่ที่โต๊ะไม่ได้มีแบบแตกต่างเลยแต่ตอนไปเอาขาเดินเอานิ้วเดินหรือเอาขาเดินเหมือนกันนะ่ะอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นแนะ้เป็นคนรู้เห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ก็ใช้ได้ลนะวอีกคําถามหนึ่งนะคะระวังข้อหนึ่งก็คือ บางทีเวลาเจ็บป่วยโทสะมันแทรกง่ายนะแล้วโทสะแทรกให้เรารู้ทันเราห้ามจิตไม่ให้มีโทสะเราห้ามไม่ได้แต่ว่ามันฝุดขึ้นมาแค่แค่รู้ทันนะอย่าปล่อยอีกคำถามนึงนะคะเวลาเวลารู้ความรู้สึกนะคะบางครั้งเนี่ย จะสังเกตมันเหมือนมันรู้ไปเองนะคะอย่างเช่นว่าเวลาเราโกรธอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้ว่าเรามือสัน่นใจเราเต้นมากแล้วมันก็เหมือนกระติดนะคะในการจ้องดูมันเนี่ยอันนี้เราควรจะเลิกมันหรือว่าถ้ารู้ก็รู้ไปแต่ว่าอย่าอย่าพยายามจ้องมันหรือดูมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจ้องรู้ว่าจ้องนะะกําลังจ้องอยู่รู้ว่าจ้องอยู่เวลาจ้องบางทีจิตมันไหลเข้าไปถลําลเข้าไปนะมันไม่แยกออกมาเป็นคนดู งั้นเวลาจิตมันถลําไปจ้องนะรู้ทันมันก็จะดีดตัวออกมาเป็นคนดูใหม่เราไม่จําเป็นจะต้องพยายามเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราโกรธแล้วเรามีกริยาอะไรบ้างไม่จําเป็นหรอกนะแต่ถ้าเราจะอยู่ในสังคมนะจะไปกล่าวสุนทรพจน์อะไรก็เอากระจกมาอันนึ่งแล้วดูไปแต่ว่าถ้าภาวนาไม่จําเป็นหรอกเอาจิตไหมขอบพระคุณมากค่ะนมาสการค่ะ คราวที่แล้วที่มานะคะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าไปปฏิบัติธรรมมาแล้วสติแต่แล้วคราวนี้ก็ได้ฟังดีหลวงพ่อฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้าอีกเป็นละลอยเที่ยวซูเปอร์โง่ไม่เป็นไรบอกแล้วว่าโง่ไม่ว่าเสร็จแล้วก็คือพอจะเริ่มรู้ว่าใจดีออกไปคิดนะคะแล้วก็ รูปนามขันก็พอจะทราบว่านะตอนนี้ตัวเองเนี่ยข้อมือข้อขาข้อหัวเข่าเอวอืมไปหมดแล้วอืมข้าพเจ้าก็ไม่ทุกข์มันเป็นเรื่องของคุณอืมนะคะแล้วก็แต่มันยังมีข้าพเจ้านะก็คือยังมีตัวกูอยู่ออ๋มมัันยงีตรงนี้ละะ<อ>่ะค่ะเออตรงนี้ละะ่ละค่ะแล้วก็ตรงที่สองก็คือว่านั่ง แต่ก่อนเดินนะคะไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้เดินไม่ได้นั่งนั่งแค่สิบนาทีห้านทีแรกเพ่งพอเพ่งเสร็จเอ้ยไม่ใช่นี่เอาสบายๆหลับเลยเบื้องต้นเนี่ยเพ่งไว้ก่อนนะเรารู้ทันว่าเพ่งค่อยๆคลายการเพ่งออกถ้าอยู่ๆเลิกเพ่งก็หลับนั่นแหละค่ะถ้าไม่หลับก็ฟุ้ง่ะแต่ตอนฟุ้งนี่รู้ว่าฟุ้ง แน่นอน่ะหลับก็หลับนะหลับก็ไม่รู้ว่าหลับสิก็ขอแนะนำขอความแนะนำจากครรธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราบังคับไวมากนะมันจะดีดกลับไปในทางฟุ้งซ่านเมื่อมันฟุ้งซ่านสุดฤทธิ์สุดเดชของมันแล้วมันจะซึมเราห้ามมันไม่ได้นะคอยดูใจคอยดูกิเลสที่แทรกเข้ามาเรื่อยๆกิเลสที่แทรกเข้ามาเช่นความไม่พอใจต่างๆนานา ร่างกายไม่สบายก็ไม่พอใจจิตไม่สงบก็ไม่พอใจเป็นไหมอ่าใช่ค่ะเราค่อยรู้ทันใจของเราไวอ้นะอย่างเงี้ยนะความไม่พอใจใดๆเกิดขึ้นรู้ทันความไม่พอใจเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันเป็นบางครั้งอืมหัดรู้บ่อยๆค่ะนะใจจะค่อยเป็นกลางขึ้นเป็นกลางขึ้นต่อไปสบายแล้วก็วิธีตั้งมั่นจิต ท, ทำยังไงคะวิธีตั้งมั่นให้เรียนรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น อถ้ oh. าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโยมมีความเข้าใจว่าการหายใจเข้าเกิดแล้วมันกระดับแล้วมันก็มีการหายใจออกแล้วก็เกิดกระดับมันถูกหรือเปล่าถูกนะแต่มันยังคิดเอา oh. อ๋ออ๋อหลายทีแล้วไม่ใช่จิตจ<น>ใช่ไหมฮะ oh, ไม่ใช่จิตหนึ่งคิดเอา มันยังไม่ได้เห็นเกตดับจริงๆเราคิดเอาของโยมระวังนะใจมันช่างคิดนะให้รู้ทันมันเป็นคนคิดมากขอคาแนะนาค่ะเวลาจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหาหาเครื่องอยู่ให้จิตใครจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันบ่อยๆให้ให้จิตมันมีบ้านอยู่ จิตจะได้ไม่หนีไปนานานะพาะพอจิตอยู่บ้างแล้วค่อยๆมาแยกธาตุแยกขันต์ต่อไปนะขอบพระคุณค่ะกับนวัตการหลวงพอ่อจ้ะค่ะรู้สึกว่าโลกมันห่างๆออกไปออืเราดันมันออกไปเปล่าวิธีโลกห่างออกไปนะอันหนึ่งมีปัญญามากขึ้นนะจิตตั้งมั่นมากขึ้นมันแยกอีกอันหนึ่งผลักมันออกไปผลักโลกออกไปอีกอันนึงดึงจิตออกมา มีแบบไหนล่ะนมละสามแบบมันแยกเองหรือดันมันออกไปหรือดึงจิตออกมาบ่อยครั้งจะเป็นอันที่สองค่ะออแล้วก็ชีวิตประจำวันก็จะค่อนข้างยัหมกมุ่นอยู่กับธรรมะค่ะตื่นเช้ามาก็ฟังธรรมไปถึงที่ทางานก็เปิดฟังธรรมะออก่อนนอนก็มีทำสมาธิไหว้พระออสวดมนต์ก่อนแต่ว่า ท, ที่รู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาก็ช่วงนี้ศีลห้าเข้มแข็งขึ้นค่ะอ๋ดี โมทนาสาธุนะดีนอกจากนั้นหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมเจ้าคะใจเราช่างคิดช่างฟุ้งไหมหรือช่างซึมมีสองอย่างค้ากันไปค่ะคือจิตที่เราเพ่งไว้มากๆนะพอแรงเพ่งหมดลงไปมันจะฟุง้งฟุ้งเต็มเหนี่ยวแล้วมันก็จะซึมนะงั้นเราอย่าไปเพ่งแรงนะลดการเพ่งที่แรงๆลงคืออย่าไปบังคับจิตอะ่ะ ให้รู้ทันจิตอย่าไปบังคับจิตบังคับแรงไปยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีอยูอ่จ้ะค่ะเป็นคนดีก็ไม่เป็นไรดีกว่าชั่วนะตอนนี้ยังเป็นคนเป็นคนดีไปก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ความจริงอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรานะกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราค่อยดูไปสิมีอะไรที่พึ่งพาอาศัยได้จริงนะค่อยดูลงไปเนเพราะว่าไม่มีคนหรอก แต่ขั้นแรกเลยอย่าไปเพ่งจิตไว้แล้วเพ่งไว้นิ่งๆซึมๆนะนิ่ ง, ง, นะงทื่อๆอยูออ่พอหลุดแล้วจะร้ายร้ายบ้างไหมพยายามเก็บไว้ค่ะโอ้นั่นแหละ ย, ยิ่งเครียดหนักกว่าเก่าอีกนะแต่ดีแล้วไม่ออกไปนะแต่รู้ทันที่ใจปล่อยมันซะแต่ไม่ออกทางปากไม่ออกทางมือนะแต่อย่าไปกดที่ใจปล่อยให้จิตทํางานเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ เราจะเห็นเลจิตเดี๋ยวก็สุขิตเดี๋ยวก็ทุกขจิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายไม่งั้นจิตจะทื่อๆไปเหมือนกับไม่ค่อยสุขค่อยทุกขอะไรนะทื่อๆไปไม่ดีหรอกเป็นไหมเป็นจ้ะค่ะส่วนให ญ, ญ่จะเฉยๆไม่ค่อยเนี่ยลงเพราะว่าเพ่งเอาไว้นะค่อยคลายออกแล้วจะเห็นนะสุขทุกเฉยๆนะหมุนเวียนไปเรื่อยเกิดแล้วดับต้องเห็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาจริงถ้าเฉยทําได้ให้ดู อย่างเงี้ยนะเฉยทั้งวัน่ะมันเฉยปลอมเฉยเพราะไปทำขึ้นมาเ็าแต่งขึ้นมาขอบพอพระคุณจ้าค่ะไม่เอานะมันเป็นพบพบหนึ่งเป็นพบที่เมื่อยมากเลยนรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ลูก อ, อยู่กับสภาวะธรรมปัจจุบันกับการรู้สึกตัวค่ะ แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้ น, ตนหัวใจเต้นตึกตึตตเลยเจ้าค่ะอยากให้หัวใจหยุดก็กแล้วกันแล้วหลวงพ่อลูกฟังซีดีของหลวงพ่อตั้งตั้งแต่หลวงพ่อไป เ, อเทศนาที่จังหวัดพังงาค่ะที่วัดประชาสันติลูกก็มาจากพังงาเมื่อก่อนลูกป่วยมากอาการป่วยกเ็เป็นโรคจิตซึมเศร้าแบบคิดค่าตัวตายทั้งวันแต่ว่าพอได้ฟังซีดีหลวงพ่อก็โรคจิต ก็จะหายไปเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องกินยาแล้วก็อาการป่วยออื่นก็ดีขึ้นมากค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกก็ภาวนากับการรู้รู้สึกตัวแล้วก็อยู่กับสภาวะธรรมกับปัจจุบันค่ะอ อ, อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆนะ้โรคจิตโรคประสาทอะไรมันมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเป็นทางร่างกายอันนี้ภาวนาไม่หายในกลุ่มหนึ่งภาวนาผิดหรือว่าเครียดจัดอะไรพวกนี้ถ้าภาวนาถูกแล้วหาย ถ้าแม่ชีหายก็แสดงว่ามันเป็นเพราะทางจิตใจเราเองค่ะเมื่อก่อนลูกกินยาค่าตัวตายบ่อยตอนอย่าไปกินนะยาแพง <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้แบบลูกภาวนาแบบสบายขึ้นมามกเลยคราก็แคบบ่สบายไปแบบกระดูกค่ะหลวงพ่อกระดูกของลูกอะแบบจะนั่งจะเดินจะนอนมันจะปวดราวไปทั้งตัว <c oughs> นั่งรถขึ้นมาเมื่อเมื่อวานนี่กระดูกที่ฟันมันจะร้าวไปหมด <c oughs> แต่ต น, นี้มนไม่ชีดูอย่างนี้นะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่ง ค, ความเจ็บความปวดก็อยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตแยกได้ไหมแยกได้แล้วแยกได้กลัวอะไรตวเนี้่แล้วลูกได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์นะ ค, ะค่ะแล้วก็ไปเรียนอท่านพระอาจารย์ที่นู้นท่านก็สอนดูจิตให้นะค่ะแล้วก็ ไปอยู่ที่โน้นสี่เดือนตอนที่ไปอะลูกปวยหนักตัวผอมไปอยู่ที่โน้นน่ยแบบอาหารนี่ยก็ต้องฝึกแบบฉันแต่กไข่ต้มทั้งสี่เดือนเลยเจ้าค่ะแต่ว่าก็สภาพจิตมันดีขึ้นก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้มันดีขึ้นแล้วกันค่ะแล้วท่านอาจารย์ที่โน้นท่านบอกว่าให้ลูกแบบรู้จักวางกายวางจิตแต่ตอนนี้ลูกยังไม่รู้ค่ะมันจะวางได้ด้วยปัญญานะ ถ้าปัญญาเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตที่ไม่ใช่เราก็วางนี่ก่อนที่จะเห็นได้เงี้นเราเขมาแยกก่อนกายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตนะหันแยกไปเด้วยวันนึงก็เห็นจริงจริงร่างกายก็ไม่มีสาระมันก็วางาเวทนาไม่มีสาระมันก็วางจิตไม่มีสาระมันก็วางอยู่อยู่วางไม่ได้วางได้ด้วยปัญญาจ้าแต่ว่าตอนที่ลูกนั่งภาวนาแบบว่าจะเห็นว่าตัวเองอ่ะลอกลอกหนังตัวเองออกมาเจ้าค่ะ อย่างนั้นได้สมาธิน ะ, ะเป็นสมถะการแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้แยกผมคนเล็บฟันหนังเป็นส่วนๆหรอกอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิเรียกว่ากายคตาสติแยกเป็นส่วนๆมีสติแยกกายเป็นส่วนๆเป็นการฝึกแล้วได้สมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วลูกอยากได้การบ้านไปปฏิบัติต่ตอ ท, ที่ใต้ค่ะอย่ารีบร้อนนะเจ้าค่ะตายเมื่อไหร่ก็ตาย แต่ว่าไม่ไปฆ่าตัวตายนะค่ะไม่ไม่ได้ถ้าฆ่าตัวตายผิดศีลห้านะไม่ได้เป็นแม่ชีผิดศีลห้าไม่ได้ถ้ามีสติไว้รื่ยแยกขันไปเรื่อยๆสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อการนมัสการครับหลวงพ่อคือมีปัญหากับชีวิตอะครับนับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ผมเสียเนี่ย ดูอมีเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาข่มเหงรังแก้เอาเปรียบเราเนี่ยครับผมก็พยายามปล่อยวางนิ่งไว้แต่เขาคงคิี่ามเห็นว่าผมไม่สู้เพราะว่าขี้กลัวผมก็เลยตอนหลังทนไม่ไหวพอเอากลับไปบ้างเนี่ยคือโต้กลับบ้างเนี่ยเขาก็เลยหยุดแล้วก็ไม่มาอะไรกักผมอีกเลยก็เลยคิดว่าการเป็นคนสู้คนนี่มันผิดไหมครับ ก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องสู้กิเลสด้วยนะชนะคนอื่นนะชนะชั่วคราวนะชนะตัวเองแค่ชนะถาวรแต่อยู่กับโลกก็ต้องป้องกันตัวเป็นแหละก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ระวังอย่างหนึ่งพอป้องกันเก่งนะแต่เป็นจะไปรุกรานคนระวังใจของเราไว้แล้วแล้วอีกข้อหนึ่งครับคือ พอพ่อแม่ผมเสียแล้วผมยังไม่มี ย, ย, ยังไม่แต่งงานเนี่ยบางทีผมสงสัยว่าเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรครับอืเรามีหน้าที่นะแต่ละคนนะมีหน้าที่ถ้าในแง่มุมของชาวพุทธเราอะเรามีหน้าที่พัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะจิตใจเราพ้นจากความทุกข์สาบอนได้ทําไมเราจะต้องมีชีวิตซ้ํำซากวนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดไปอ เราก็มีหน้าที่ยกระดับใจของเราขึ้นไปจนมันพ้นจากความทุกข์ได้ทุกคนมีหน้าที่นี่หน้าที่ต่อตัวเองหน้าที่ต่อคนอื่นก็คือถ้าเรามีหน้าที่เรามีสถานะอะไรเราทําหน้าที่อันนั้นให้เต็มที่อย่างท่านพุทธทาสชอบสอนนะการทาหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นหน้าที่กับโลกส่วนหน้าที่กับตัวเราเองนี่หน้าที่ยกระดับใจของเราเนี่ยสาคัญมากเลย งั้นชีวิตมีเป้าหมายชีวิตไม่ได้อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งแบบสังกตายไรย้สาระนะถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าชีวิตเราจะต้องลดละกิเลสไปได้เรามีเป้าหมายชีวิตเราจะต้องลดความทุกข์ทังใจออกไปให้ได้เนี่ยเรามีเป้าหมายและชีวิตที่มีเป้าหมายเนี่ยจะไม่ว้าเหวกสาทูข่าวขอบคุณครับนมัตรกรหลวงพ่อครับ คำถามแรกของผมถามแทนลูกศิษย์นะครับเพราะผมเป็นครูด้วยจากประสบการณ์ที่ฝึกร่วมกันถ้าทำสมถะทำในรูปแบบครับแล้วก็ในระหว่างวันถ้าสังเกตขอารู้สึกไปเรื่อยสังเกตเล่นๆไ ม, ไม่ได้จงใจไม่ได้เคร่งเครียดอะไรผลของการกระทำแบบนี้ทำให้สติอัตโนมัติเกิดถี่ขึ้นดี ใช่อเอาให้ครบสามอันนะรักษาศีลห้าไว้ก่อนอทำในรูปแบบไปการทำในรูปแบบเพิ่มสมาธนะิเพิ่มความตั้งใจได้หลายตัวนะได้ขันติได้อธิฐานบารมีนะได้หลายตัวฝึกไปเรื่อยแล้วก็เวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวัหลวงพ่อก็ทํามาแบบนั้นแหลคนะควันนีอ้อันนี้ถามแทนลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่า ก่อนที่เขาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยหงุดหญงิดง่ายไม่ค่อยโกรธ ง, ง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตอะไรดีๆเยอะพอมาปฏิบัติธรรมโอดว่ารู้สึกว่าแย่ลงตรงนี้เป็นเพราะอะไรครับผมก็พยายามแก้แล้ว <c oughs> <c oughs> พยายามจะคิดแก้ไขแล้วว่าไม่รู้จะทําไงคือแต่ก่อนมันชั่วร้ายนะมันไม่เห็นนหรือบางทีอยากเป็นคนดีนะก็เก็บกดเอาไว้ พอเรามาเจริญสติเจริญปัญญามันไม่เก็บกดฎนะตัวจริงมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยต้องตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนเพราะตอนตัวจริงโผล่เนี่ยน่ากลัวถ้าไม่ตั้งใจรักษาศีลก่อนนั้นจะไปร้ารานชาวบ้านเขาไม่ใช่ธรรมะทาให้เราชั่วขึ้นหรอกแต่ธรรมะทาให้เห็นว่าชั่วแสดงว่าที่เขาเจริญสติเหมือนที่ผมแนะนําเขาเนี่ยทําให้เขา ไปเจอเพ่งน้อยลงเพราเขาคลายการเพ่งออกแล้วเขาก็ารายอครับถ้าอยากให้ดีก็ให้เพ่งไปทั้งชาติเราก็ได้ลูกศิษย์ไม่ดูร้ายอะไรเสื้อสิ่มนะไปอยู่เขาดินได้เลยคือผมเคยแนะนำให้เขาลองดูลงไปตรงๆเวลาที่เขามีปัญหาแบบนั้นบางครั้งก็ น้อ ง, างอาจารย์รจะมาถามทําไม่ตอบได้ทุกเรื่องอหะไม่ใช่ผมนะผมไม่มั่นใจในตรงนั้นว่าคือผมกลัวจะแนะนํำผิดแล้วมันจะเป็นเป็นวิบากกรรมกับผมไปไม่ผิดเราผมเลยต้องแต่ต้องให้เขามีศีล น, นะครั บ, ค, รบคือนับปฏิบัติบางทีทิ้งศีลไปไม่ไดีครูบาอาจารย์ท่านฝากมาเวลาไปเจอท่านนะท่านบอกฝากเน้นเรื่องศีลหน่อยคนยุคนี้ไม่มีศีลทํา ไม่มีศีลมันก็ยังไม่มีธรรมไปด้วยขอให้ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องอัตตาตัวตนนะ่ะคือเวลาผมฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีบางครั้งนะครับที่สติอัตโนมัติเกิดแล้วมันชัดมากๆผมรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกอัตตาตัวตนในขณะนั้นนะครับมันไม่น่าจะมีคราวนี้เวลาคุยกับลูกศิษย์ในประเด็นนี้ หลายคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องอัตราอาจารย์ทำอะไรครับอัตรานี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างไงผ ม, มยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าตอนที่หลับสนิทหลับสนิทจริงๆนะครับมันอะไรมันหายไปหมดเลยรวมทั้งไอความรู้สึกอัตตาแต่ว่ามันหายไปคนละอย่างกับตอนที่เรามีสติอัตโนมัติมผมตอบถูกแล้วใช่ไหมครับเจถูกอีกลอาจารย์แต่เด็กมันจะรู้เรื่องหรืออ๋อ <laughs> ผ oh, <c oughs> มก็กลัววิบากกรรมเหมือนกันนะ้ตอไ ม, ไม่ไม่ผิดหรอกนะแต่มันฟังยากเด็กดูยากบอกให้เด็กมันคยดูเวลากูเก่งอะ่ะอ oh, ครับดูง่ายกว่าคือดูตอนที่มันแรงแรงก่อนอย่างในชีวิตประจบบาวันเนี้ยมันก็มีความเห็นเป็นตัวเป็นตนนะแต่มันดูยากเนี่ยอาจารย์สอนขั้นแอดวานซ์จกไม่มีแล้วโผล่ขึ้นมาอะไรเนี้ยดูยากนิดนึงเอาแบบขั้นชั่วร้าย แบบรุนแรงมันดูง่ายเวลาคุยกับเพื่อนอนะไรเงี้ยกูเก่งขึ้นมาอนะไรเงี้ยแล้วตอนที่หลับสนิทนี่ที่ตัวตนหายไปนี่มันก็มันไม่ได้ปรุงจิตมันลงรวังไปไม่ได้ทํางานไ ม, ไม่ไม่เกิดปัญญาอะไรไม่มีปัญญานะไม่มีกุศลนะกุศลอะไรนะแต่ตอนที่มันฝันนะจิตขึ้นวิถีแนะจิตมีกุศลนะกุศลเหมือนกันนะขอบคุณมากครับ ก า, าการนมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสนะคะคือตามที่หลวงพ่อให้โยมกลับไปเดินให้รู้สึกตัวนะคะตอนหลังนี้มาแปลงฟันอันนี้ก็เห็นกายไม่ใช่ของเราแต่เห็นทั้งตัวมไม่เหมือนปีที่แล้วเห็นแค่ซ้ายขวานั่นแหละแล้วฝึกเก่งๆแล้วเห็นทั้งตัวเลยแล้วก็สะอาดอสะอาดนะคะแล้วก็เจอสภาวะรมทิ้งกาย ไม่เอากายสภาวธรรมทิ้งกายเลยแล้ว อ, อีกตัวคิดขึ้นว่าเอ๊ะทไมมันหลังค่อมๆก็เกิดสภาวธรรมเบื่อเบื่อนะคะอันนี้คือการบ้านที่ส่งหลวงพ่อแต่ไปฟังซีดีแผ่นที่38ของหลวงพ่อโยมฝึกถนัดแยกรูปแยกนามได้แต่ไม่ถนัดในดูตัวคิดก็ไปฝึกอยู่ตั้งนาน ไปดูตอนที่ว่าเห็นตา ม, มันเริ่มคิดขึ้นไปตามด้วยอารมณ์ฉับพันมันดับชับอารมณ์ขาดภาพดับนี่คือดูตัวคิดเป็นใช่ไหมเจ้าคะคือถ้าดูตัวคิดได้นะตัวรู้มันจะเกิดนะดับไม่ดับไม่เป็นไรหรอกแต่ความคิดน่ะมันดับมันเกิดตัวรู้ขึ้นแทนไม่ใช่ดับหมดนะดับหายไปหมดเลยไม่ถูกคืออารมณ์ดับไปด้วยอารมณ์ดับไปได้ไม่เป็นไร นี่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะอารมณ์นะั้นบางทีตามหลังความคิดมาคําว่าอารมณ์ของโยมหมายถึงอะไรเนีย่ยความสุขความทุกข์อะไรงนั้นป่ะเออเหมือนกับตึงๆบ้างโกรธบ้าง อ, อย่างเนี้ยอย่างกิเลสนะมันก็ตามหลังความคิดมาตัวโทส ะ, ะเราไปคิดในทางพยาบาทเรมีพยาบาทวิตกนะโทสะมันก็เกิดพอเรารู้ทันจิต ท, ที่คิดเนะี่ยเราทําลายต้นทางของโทสะโทสะเลยดับ แต่เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่ า, บางบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาชนะอะไรทั้งสิน้นะเอาชนะอันเดียวนะความไม่รู้ของเราเอง <ừ> เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไหมปีนี้เห็นค่ะรู้สึกไหมไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่า เข้มแข็งมากขึ้นตอนนี้ดีใจออดีใจรู้ว่าดีใจภาวนาดีขึ้นอะไรขอคำแนะนำจากหลวงพ่อไปทำอีกสทิทำไปเรื่อยๆนะอ้อมีอยู่อีกเรื่องค่ะหลวงพ่อรูปแบบที่ใช้การเดินคือเดินจงกรมเดินเช้าเดินเย็นแต่ช่วงนี้มีปัญหาหัวเข่าขวาโยมจะเปลี่ยนรูปแบบมาการใช้นั่งนั่งให้รู้สึกตัว ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้แต่ถ้านั่งแล้วซึมนะนั่งแล้วง่วงนะก็หาพัดมาอันหนึ่งนั่งพัดไปขยับเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆกราบขอบพระคุณพระหลวงพ่อนมรดการหลวงพ่อครับคือส่งกันบ้านเมื่อ6เดือนที่แล้วตอนนั้นหลวงพ่อกรุณาชี้ให้เห็นว่าเจ็ดจิตออกนอกฐานอตอนนี้ก็คือที่ปฏิบัติก็คือรู้กายรู้ใจในประจําวันแล้วตอนคืนก็มีเดินจมกรม เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือเพิ่มในรูปแบบก็คือตอนเช้าสดอิติปิโสทวายุเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ระหว่างวันถ้าถ้าถอยแบบดูกายไม่ได้ก็มาใช้สดมนครับคันนี้ก็เลยกลัวว่าจะจะจับกลับไปติดสมาธิอีกหรือเปล่าอะไรนะกลัวอะไรนะกลัวว่าจะกลับไปติดสมาธิอีกเ ร, เ, เราสังเกตที่จิตเราสิมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อไห ม, มถ้ามันเป็นก็กลับไปติดละตอนนี้รู้สึกว่า พอทําแบบนี้แล้วมีแรงขึ้นมีแรงรนะมีแรงแต่อย่าให้แข็งทื่อๆนะจิตขณะนี้เป็นปกติไหมเหมือนตอนอยู่บ้านไหมเงียบกวนะ่าะอถ้าเป็นเงียบผิดปกตนะิแสดงว่ามีการเพ่งไวมีการตรึงไวนะถ้าจิตตามธรรมชาติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสบายๆเพราะมันเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่ก็ไม่ติดครับนะ ถ้าเพ่งเราไม่รู้ว่าเพ่งอยู่ถึงจะติดต้องไงละ่ะอีกอันหนึ่งที่ที่รู้สึกในจิตตอนนี้คือตะก่อนก็รู้สึกว่ากายเนี่ยมีไว้แค่หน้าที่เราคือแค่รู้แค่ดูมันแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าในจิตเนี่ยก็คือหน้าที่ของเราคือแค่รู้แค่ดูเฉยๆไปทอยังไงไม่ได้หน้าที่เราคือแค่เห็นมันอย่างที่มันเป็นการเห็นกายอย่างที่เขาเป็นมันมีคาอยู่คำหนึ่งคาว่าวิปัสนา วิปัสนาเนี่ยแปลตามศัพท์นะวิแปลว่าเห็นแจ้งแจ้งคาว่าปัสตนาคือการเห็นงาวิปัสนาคือการเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์กริยาคือเห็นคาว่าเห็นหมายถึงว่ามันเป็นยังไงเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะงั้นวิปัสนาไม่ใช่การคิดเอาการคิดเอาเรียกว่าวิตก พระจ้ไม่ได้สอนกายานุวิตตกสติปัฏฐานหนึ่งไม่มีแค่เราเห็นมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับปฏิบัติต่อไปครับทําปกติแหละนะทําไปอย่างที่เคยทำนะไม่ต้องกลัวเพ่งหรอกไม่ต้องกลัวติดหรอกเพราะมันเคยรู้จักเพ่งแล้วมันติดยากติดยากขึ้นนะ แล้วก็คอยรู้ทันจิตอแอบไปคิดคอยรู้ทันนะรู้จักจิตที่นี่ไปคิดไหมนะรู้บ่อยๆนะอย่าไปเพ่งให้นิง่งจิตนีไปคิดแล้วรู้ทันฝนะึกอย่างนี้แหละทำในรูปแบบทุกวัน